พระอนุบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดเก็บหรือใช้ให้เก็บรัตนะหรือของที่สมมติว่าเป็นรัตนะต้องอบัติปาจิตตีเว้นไว้แต่ในอารามสิกขาบทนี้พระภูมิพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่พิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องนางวิสาขาจบ